ชีวิตของพวกเรามีองค์ประกอบมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวส่วนจิตใจนี่เป็นของถาวรร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นของที่เราอาศัยอยู่ใช้อยู่ชั่วคราวแต่จิตใจนี้เป็นของเราเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสำคัญจึงอยู่ที่จิตใจเพราะว่าจิตใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเป็นของถาวร อยู่ที่เราจะดูแลรักษาได้หรือไม่ถ้าเราดูแลรักษาได้เราก็จะได้จิตใจที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ส่วนร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็ว ร่างกายก็ต้องมีการหมดสภาพไปเป็นปกติของร่างกายที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและตายไปในที่สุดเราจึงไม่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาร่างกายจนเลยเถิดไป ควรดูแลรักษาตามเหตุตามผลตามความเหมาะสมคือต้องคำนึงเสมอว่ารักษาอย่างไรดูแลอย่างไรในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปการดูแลรักษาร่างกายจึงต้องไม่ไปกระทบกระเทือนกับจิตใจถ้าดูแลรักษาร่างกายแล้ว ทำให้จิตใจเราทุกข์ทำให้จิตใจเราวุ่นวายใจอย่างนี้แสดงว่าทำเลยเถิดทเป็นการทำลายจิตใจไม่ใกล้ไม่ได้เป็นการดูแลรักษาจิตใจถ้าร่างกายมีความสุขแต่จิตใจมีความทุกข์ความสุขของร่างกายนี้ อย่าไม่มีความหมายอะไรเพราะความทุกข์ของใจนี้และความสุขของใจนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายดังนั้นถ้าเราดูแลรักษาใจของเราให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์ได้แล้วไม่ว่าร่างกายจะเจ็บจะปวด จะทุกขนาดไหนความทุกข์ของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาไม่กระทบกระเทือนใจที่มีความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของใจจึงปลุกความทุกข์ของร่างกายได้แต่ความสุขของร่างกายนี้กอบความทุกข์ของใจไม่ได้ดังนั้นเราต้อง ระมัดระวังเวลาที่เราดูแลรักษาร่างกายของเราอย่าดูแลจนดืมแปลว่าเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายไปอยู่ดีอย่าลืมไปว่าการดูแลทําให้ไปกระทบกระเทือนไปก็สร้างความทุกข์ให้กับใจการดูแลรักษาร่างกายที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับใจ ก็คือเราต้องมีธรรมะคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะสามารถมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายได้ถ้าเรามีธรรมะคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ไป <c oughs> ดูแลรักษาร่างกายจนทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ <c oughs> เช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หาอยู่หายามารักษาไปหาหมอไปโรงพยาบาล รักษาได้มากน้อยก็ต้องยอมรับความจริงนั้นไปอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเช่นรักษาแล้วไม่หายแต่อยากให้หายความอยากที่จะให้ความเจ็บไขยได้ป่วยหายไปนี่ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะให้หาย รักษาไปตามเหตุตามผลตามกำลังของหมอของยาหายก็ดีไม่หายก็ดีอยู่ได้ก็ดีอยู่ไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ก็จะไม่ไปกระทบกระเทือนกับจิตใจจะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าเรามีความจริงมีธรรมะคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> ร่างกายนี้เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยชั่วค่าวเป็น การรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆเช่นข้าวที่เรารับประทานก็ต้องมาจากดินเราปลูกข้าวในดินเราเติมน้ําเข้าไปในดินเรามีอากาศให้กับต้นข้าวมีแสงแดดมีความร้อนให้กับ ต้นข้าวต้นข้าวก็เจริญเติบโตขึ้นมาออกรวงเราก็เอาเมาเล็ดข้าวมาหุงแล้วก็มารับประทานก็เท่ากับการเอาธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้ามาในร่างกายพอเข้ามาในร่างกายก็เอามาสร้างอวัยวะต่างๆ หรือเอามาขยายเอาวัยวะต่างๆให้จรินตอบโตให้เรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีปอดมีผังผืนมีไส้น้อยมีไส้ใหญ่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 ของร่างกาย to students, ถ้าเราแยกดูแต่ละอาการเราจะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในอาการสามสิบสองนี่เลยเช่นแยกผมออกมาดู <c oughs> ก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในผมแยกขนออกมาก็ไม่มีตัวเราแยกเล็บแยกฟันออกมาก็ไม่มีตัวเราแยกอาการใดออกมาก็จะเห็นแต่อาการนั้นเพียงอย่างเดียวจะไม่มี เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยเหล่านี้มาจากใจที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็ถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา <c oughs> พอเรามีความอยากให้ร่างกายพอเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา เราก็จะอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความหลงที่หลอกให้เราไปมีความยึดติดกับร่างกายแล้วก็ทําให้เราอยาก ให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยู่แบบไม่แก่อยู่แบบไม่เจ็บอยู่แบบไม่ตายแต่มันเป็นการฝืนความจริงเป็นการเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งๆที่เรารู้เราเห็นอยู่แต่เราก็ยังอดที่จะอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยู่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่า อำนาจของความหลงอำนาจของความอยากนี่มีกำลังมากกว่าอำนาจของธรรมะคือความความจริงเราจรึงต้องเติมธรรมะเข้าไปอยู่บ่อยๆเติมธรรมะเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ธรรมะมีกำลังมากกว่าความหลงพอธรรมะมีกาลังมากกว่า พอเวลาใจอยากคิดอยากไม่แก่ธรรมะก็จะตับได้ทันทีว่าเป็นไปไม่ได้อยากไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้อยากไม่ตายเป็นไปไม่ได้ถ้ามีธรรมะคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาต่อไปธรรมะนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะ <c oughs> หยุดความอยากต่งตางๆพอคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ธรรมะก็จะสวนกลับมาว่าไม่ใช่เป็นเพียงธาตุี่เป็นเพียงอาการสาสสองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้เช่นไม่มีพ่ออยู่ในร่างกายไม่มีแม่อยู่ในร่างกายไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชาย อยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้มีเพียงอาการ32ที่ประกอบมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการแยกตัวไปในที่สุดเช่นเวลาคนตายแล้วถ้าเราปล่อยร่างกายทิ้งไว้ไม่ไปทําอะไรร่างกายก็จะธาตุในร่างกายก็จะแยกทางกัน เบต้นก็คือธาตุไฟกับธาตุลมร่างกายนี้เวลาตายแล้วถ้าไปจับดูจะไม่มีความอบอุ่นไม่มีความร้อนเหมือนกับร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่เหมือนกับรถยนต์ที่จอดแล้วถ้าดับเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งมาแตะดูที่รถก็จะรู้ว่ารถตอนนี้เย็ยนแล้วไม่มีความร้อน หยุดทำงานร่างกายนี้พอหยุดทำงานความร้อนในร่างกายก็จะแยกตัวออกไปแล้วต่อมาก็ลมก็จะไม่มีเข้ามีแต่จะออกออกมาโดยเป็นกลิ่นที่เราได้ได้สัมผัสทางจมูกนี่ก็เป็นลมที่ออกมาจากทางร่างกายต่อมาก็จะปีน้ำไหลออกมา อามทวารต่างๆไหลไปเรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบแห้งกรอบแล้วก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือการรวมตัวของธาตุสี่และการแยกตัวของธาตุสี่รวมตัวมาเป็นอาการสามสิบสอง แล้วก็แยกคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นเพียงดินน้ําลมไฟดังนั้นเวลาร่างกายตายไป ยังไม่มีใครตายไปกับร่างกายนี้ผู้ที่มาครอบครองอาศัยนี้คือใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจของแต่และบุคคลที่มาครอบครองร่างกายนี้เมื่อไม่มีร่างกายให้อาศัยอยู่ก็ต้องย้ายที่หาร่างกายอันใหม่จะได้ร่างกาย อย่างไหนแบบไหนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าได้ทำบุญได้ไม่ได้ทำบาปก็จะได้ร่างกายของเทวดาถ้าทำบุญระดับสมาธิหรือทำใจให้สงบก็จะได้ร่างกายของพรหมเป็นร่างทิพย์ เทวดาและพมนี้เป็นร่างที่ถ้าจเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไกลยลักษได้ก็จะได้ร่างของพระอริยบุคคลคือได้ร่างของพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีและพระอารหันต์ร่างของพระอริยบุคคลนี้ ร่างแท้ก็คือใจเป็นร่างทิพย์แต่ยังมีกายเพราะว่ายัางร่างกายยังไม่ตายไปอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วตัดสรุปเป็นพระอาหารหันตสามมาสามพุทธเจ้าตอนนั้นใจของพระพุทธเจ้านี้ได้ได้กลายเป็นพระอาหารหันต ได้ร่างทิพของพระอาหารหันต์ได้พระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้ายังไม่ตายใจของพระพุทธเจ้าเลยได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไปแต่พระพุทธเจ้านี้ใจของพระพุทธเจ้านี้ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วแต่ยังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทำคุณประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกนี่คือเวลาที่ร่างกายตายไปใจของแต่ละบุคคลก็จะไปตามอำนาจของบุญของบา ที่ทำเอาไว้ถ้าเวลาตายไปบุญมีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงใจไปทางสวรรค์ถ้าบุญมากระดับเทพก็จะไปสวรรค์ระดับเทพถ้าบุญมากระดับพรมก็คือสมาธิก็จะไประดับพรมถ้าบุญระดับวิปัสสนาระดับปัญญาก็จะไประดับของพระอริยะเจ้าขั้นต่างๆ ในทางตรงกันข้ า, ถ า, ามถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะไปได้ร่างของเดลฉานบ้างถ้าหกถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะไปได้ร่างของอสุรกายแล้วถ้ามีมากกว่าก็จะไปได้ร่างของเปรตแล้วถ้าบาปมีกำลังมากที่สุดก็จะไปได้ร่างของนรก คือจะไปอยู่นรกไปถูกไฟของความทุกข์เผาผลาญหัวใจไปจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นจางหายไปจนกว่าบาปกระบุญนี้จะมีกำลังเท่ากันพอบาปมีกำลังเท่ากับบุญก็ไม่สามารถอยู่ในนรกได้แต่บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปสวรรค์ได้ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันกลับมาแบบอาภัพวาสนาหรือกลับมาด้วยบุญบารมีผู้ที่กลับมาจากอบายเชย่นกลับมาจากการเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานกลับออกมาจากนรก ก็จะมาเกิดแบบอาภัพวาสนาคือมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสัน้นมีทรัพย์น้อยมีสติปัญญาน้อยเป็นต้นนี่คือลักษณะของผู้ที่กลับมาเกิด เป็นมนุษย์หลังจากที่ได้ไปรับผลของบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้ส่วนผู้ที่กลับมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาแบบผู้ที่มีบุญมีวาสนาจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการคบสามสองมีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานมีทรัพย์มีสติปัญญาผู้ที่กลับมาจากสวรรค์ลงมานี้จะเป็นผู้ไฝ่บุญฝ่กุศลคือจะชอบทำบุญให้ทานจะชอบรักษาศีลจะชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมถือศีลแปดปรกวิเวกอยู่ตามลำพังต่างๆ อยู่ตามลำพางตามสถานที่ต่างๆที่สงบสงัดเพราะนี่เป็นิเป็นนิสัยที่ได้ปลูกฝังเอาไว้นั่นเองพอกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเริ่มมาปฏิบัติภารกิจของตนต่อไปจนกว่าจะไม่ต้องกลับมาผู้ที่จะไม่กลับมาก็ต้องไปถึงพระนิพพานหรือถึงขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้จะไม่กลับมา ที่มนุษยโลกแต่จะอยู่ที่พรมโลกแล้วก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นพรมโลกจนได้ขึ้นไปสู่ชั้นพระนิพพานต่อไปส่วนพระสกิฎาคามีกับพระพระโสดาบันนี้ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ได้หรือเป็นเทวดาแล้วก็ปฏิบัติธรรม ในพบของมนุษย์หรือของเทวดาไปแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่ขั้นอาณาคามีและขั้นอาราหันต์ไปตามลำดับส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุขั้นอริยบุคคลเมื่อกลับมาจากสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นพรมหรือสวรรค์ชั้นเทพก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนา เป็นคนดีคนใจบุญสนทานคนชอบทำบุญคนชอบรักษาศีลคนชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบสนใจศึกษาพังเทศพังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเพื่อที่จะได้ดับความหลงที่หลอกให้จิตไป มีความอยากต่างๆกับสิ่งที่ไม่เที่ยงกับสิ่งที่เป็นทุกข์นี่คือเรื่องของจิตใจที่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนบ้านที่จิตใจอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นร่างของใครก็ตามร่างของพระพุทธเจ้าร่างของพระอริยเจ้าหรือร่างของผู้ที่ ได้สมาธิได้ฌานได้พรมโลกหรือได้หรือได้รด่างของเทวดาคือผู้ที่ทําบุญและรักษาศีลได้ใจก็จะเป็นเทวดาแต่ร่างกายของท่านเหล่านี้ก็จะต้องมีวันหมดไปเหมือนกันหมดแต่ใจนี้ไม่ได้หมดไปกับร่างกายใจเป็นอะไรก็จะเป็นต่อไป ใจเป็นเทพก็จะเป็นเทพใจเป็นพรหมก็จะเป็นพรหมใจเป็นโสดาบันก็ยับเป็นโสดาบันเป็นสกิดาคามีก็เป็นสกิดาคามีเป็นอนาคามีก็เป็นอนาคามีเป็นอรหัร์ก็เป็นอรหั์ไม่ได้หมดไปพร้อมๆกับการหมดไปของร่างกายเช่นเดียวกับใจของผู้ที่เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นารกก็เช่นเดียวกันใจก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากการตายของร่างกายเมื่อร่างกายตายไปใจก็ต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่ทำเอาไว้แต่ใจนี้ได้เป็นก่อนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเช่นผู้ที่ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะเป็นเทพแล้วถ้านั่งสมาธิได้ก็เป็นพรหมแล้ว ถ้าจเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาได้โป่งได้โปงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นอริยสัจสี่ก็จะเป็นโสดาบันเป็นสกิดาคามีเป็นอรหันต์เป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ไปตามลําดับ ท, ท, ทั้งๆที่โดยทั้งๆที่ร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟอยู่ร่างกายไม่ได้เปลี่ยนไป กับการเป็นไปของจิตใจดังนั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าใจเป็นพระอาหารหันต์แล้วแล้วยังไม่ได้นุ่ ง, งเหลืองห่มเหลืองยังไม่ได้โกนศีรษะจะต้องตายไปภายในเจ็ดวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมายืนยันร่างกายจะตายไม่ตายนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า ได้กนศีสะนุ่งเหลืองห่มเหลืองหรือไม่หรือร่างกายหรือจิตใจได้เป็นอรหันต์หรือหรือจิตใจได้เป็นเดรัจฉานมันคนละเรื่องกันจิตใจของผู้ที่เป็นเดรัจฉานก็ยังอยู่ต่อไปได้จนกว่าจะมีเหตุทำให้ร่างกายนี้ตายไปร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็อยู่ต่อไปได้ไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวช แต่จะตายหรือไม่ตายนี้มันเป็นมีเหตุที่ทำให้ร่างกายตายไปเช่นมีพระราชบิดานี้ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรดสอนธรรมะให้กับพระราชบิดาจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่จะตายไปเจ็ดวั น, นก็เลยเกิดการคิดขึ้นมาว่าพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่ได้บวช ก็เลยต้องตายภายในเจ็ดวันอันนี้ไม่ใช่ถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ตายเหมือนกันเพราะว่าร่างกายมันใกล้จะตายอยู่แล้วมันเหลืออีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นมันก็จะต้องตายจะเป็นอาหารหันต์หรือไม่เป็นอาหารหันต์มันก็ตายเหมือนกันแต่การที่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดนี้เป็นโชคเป็นบุญเป็นวาสนาของพระราชบิดา ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่จะตายไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดก็จะตายไปแบบไม่ไม่ได้บรรลุธรรมจะได้ผลอย่างมากก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ได้ทำอาไว้ถ้าทำบุญระดับเทพก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเช่นพระพุทธมารดาเวลาที่คลอดพระพุทธเจ้าออกมาได้เจ็ดวันก็เสด็จสวรรคตไป ก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเพราะพุทธมารดาได้ทำบุญระดับเทพเอาไว้พระราชบิดาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสงสอนให้เจริญวิปัสสนาก็อาจจะได้เพียงขั้นเทพหรือขั้นพรหมหรือถ้าทำบาปทำกรรมไว้มากกว่าได้ทำบุญก็จะต้องไปได้ เกิดเป็นเดลอาชานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือเราต้องรู้จักแยกแยะเรื่องของใจกับเรื่องของร่างกายให้ออกจากกันอย่าประโยคกันโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างที่มีความหลงผิดเชื่อกันมาว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ได้บวชจะต้องตายไปภายในเจวัน อันนี้มันคนละเรื่องกันการเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นพระอาหารหันต์นี้ไม่ได้เป็นเหตุให้อยู่หรือให้ร่างกายตายไปคนที่ไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ตายกันไปก่อนเจ็ดวันก็มีตายกันภายในวันนี้ก็มีตายในวันพรุ่งนี้ก็มีมันมีคนตายได้ตลอดเวลาเมื่อมีเหตุมีปัใจจัยให้ร่างกายนี้ตายมันตายได้ทั้งนั้นไม่เชื่อลองเดินไปข้ามถนนดู ให้ลดชนดูหรือไปปีนขึ้นไปบนตึกแล้วกระโดดลงมาดูดูซิว่ามันจะตายหรือไม่ตายอันนี้เราต้องแยกแยะเรื่องของร่างกายกับเรื่องของจิตใจว่าเป็นคนละเรื่องกันขอให้เราให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาจิตใจของเรายิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกาย แต่เราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาจิตใจเช่นเราจะทำบุญเราจะรักษาศีลเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาปัญญาฟังเทศฟังธรรมเราก็ยังจาเป็นที่จะต้องมีร่างกาย เราก็ดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้ทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้ก็พอแต่เราต้องรู้อยู่เสมอว่าทำให้ดีกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำให้ไม่เพราะว่าไม่มีวันที่เราจะทำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปได้ถึงเวลาต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนมันก็ตาย ต่อให้กินอาหารราคาแพงขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกัน mm hmm. ดังนั้นอย่าไปกังวลวิตกไปวุ่นวายกับการดูแลร่างกายมากจนเกินไปจนทําให้เกิดการความทุกข์ขึ้นมาทางใจต้องดูแลร่างกายแบบปล่อยวางเหมือนเราดูแลสุนัขของเรานี้เราไม่ค่อยไปยึดไปติดกับมันเท่าไหร่ มันจะอยู่ได้ก็อยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสุนัขถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องดูแลร่างกายแบบเราดูแลสุนัขหรือดูแลคนที่เราไม่รู้จักที่เราไม่สนใจเช่นขอทานเขามาขอข้าวมีข้าวมาให้เขากินไปขอเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามาให้เขาไป เขาจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็เรื่องของเขาให้ดูแลร่างกายแบบนีแ้แล้วใจของเราจะได้ไม่ทุกข์ความทุกข์ของใจเราเกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ย ง, งเที่ยงให้สิ่งที่ทุกข์นี้สุขให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้เป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปหลงคิดว่า ร่างกายนี้เป็นตัวเราอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่กับเราไปตลอดอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราอย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลต่างๆก็เป็นแบบเดียวกับร่างกายเขาเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเขาจะให้ความทุกข์กับเราอยู่เรื่อย พราเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปดับไปนี่คือธรรมะที่เราต้องมีไห้คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีธรรมะสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะไม่หลงจะไม่สร้างความทุกข์ด้วยการสร้างความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นมาความอยากที่ทำให้ใจของเรา ทุก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะหลงคิดว่าถ้าได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วจะมีความสุขเช่นได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้ดื่มได้รับประทานได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้จะทําให้เรามีความสุข แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาปลาเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็น้ําลายไหลคิดว่ามีอาหารอนโนชะให้มันกินพอมันทุบเหยื่อแล้วมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวความสุขที่ได้จากการกินเหยื่อนี้เพียงนิดเดียวแต่ความทุกข์ที่เกิดจากตะขอเกี่ยวปากนี้ มันทุกมากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันฉันใดเวลาที่เราอยากกับลูกเสียงกลิก่นดสผดทธพะแล้วพอเราไปเอาสิ่งต่างๆมาตามความอยากแล้วเราจะได้ความสุขชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสเช่นอยากดูหนังพอได้ดูก็มีความสุขและพอดูเสร็จ แล้วผ่านไปแล้วความสุขนั่นก็หายไปแล้วก็จะมีความอยากดูหนังขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่มีถ้าดูไม่ได้เช่นตาบอดไม่สามารถดูหนังได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว อ, อยากจะดูหนังแต่ไม่มีหนังให้ดูหนังที่มีให้ดูนี่เป็นหนังเก่าเคยดูมาแล้วจนเบือ่อก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังอยากดูอยู่ ความอยากนี่แหละจึงเป็นเหมือนตะขอเบ็ดที่จะเกี่ยวใจให้ทุกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นวิธีที่จะทำให้ไม่มีตะขอมาเกี่ยวใจก็คือเราต้องอย่าไปฮุบเหยือ่ออย่าไปอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอย่าไปอยากเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่าไปอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ อย่าไปยากซื้อของพุ่งเฟยต่างๆที่ไม่จำเป็นซื้อได้ของที่จำเป็นเช่นปั จ, จัยสีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มแต่ต้องซื้อตามเหตุตามผลไม่ใช่ซื้อตามอารมณ์ตามความอยากเช่นเสื้อผ้ามีพอแล้วก็หยุดซื้อแล้วมีมากเกินไปก็เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้คนอื่น พ่ามันเป็นภาระไม่เกิดประโยชน์เอาไปให้คนอื่นจะเกิดประโยชน์คนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ให้เขาแล้วก็จะทำให้ใจมีความสุขแล้วก็จะไม่มีความอยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่นี่คือเรื่องของการต่อสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ ถ้าเราทำตามความอยากใจของเราก็จะไม่มีวันหมดความอยากได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอได้ดูหนังกี่เรื่องก็จะไม่อิ่มได้ดื่มเครื่องดื่มกี่แก้วก็จะไม่อิ่มดื่ม ว, วันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดื่มต่อรับประทานขนมนมเนยของโปรดรับประทานครั้งเดียวแล้วก็จะไม่พอเดี๋ยวก็ต้องรับประทานอยู่เรื่อย แล้วถ้ามีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถรับประทานได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นไม่มีเงินซื้อของมาดื่มซื้อของมารับประทานหรือร่างกายรับประทานไม่ได้หมอสั่งห้ามเพราะว่าถ้ารับประทานแล้วจะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บจะทำให้ตายได้เมืเออ่อถึงตอนนั้นนะ้วถึงจะรู้ว่าชีวิตนี้มันทุกข์หนอ ก็เพราะความอยากของเรานี้เองอยากดืมอยากรับประทานอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นี่คือความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นสิ่งที่เราต้องหยุดให้ได้วิธีจะหยุดความจ ะ, จะทำความอยากให้หายไปก็คือต้องไม่ทำตามความอยาก เวลาอยากจะดูก็ไม่ดูเวลาอยากจะฟังก็ไม่ฟังเวลาอยากจะดืม่มของที่ไม่จำเป็นจะต้องดื่มก็ไม่ดืม่มเวลาจะรับประทานของที่ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานก็ไม่รับประทานต้องฝืนต้องไม่ทำตามความอยากพอฝืนแล้วต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็หมดไปในที่สุด เราก็จะสบายจะไม่วุ่นวายกับการจะต้องหาหนังมาดูหาเพลงมาฟังไม่ต้องวุ่นวายกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปหาคนนั้นคนนี้มาร่วมหลับนอนด้วยเพราะเราไม่มีความอยากเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขความสุขที่เกิดจากความไม่อยากนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากการได้ทําตามความอยากนี้เป็นความสุขร้อมเพราะสุขเดียวเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากนั่นเองนี่คือความอยากที่เรียกว่ากามะกปัญหาความอยากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ความอยากกลุ่มที่สองเรียกว่าความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยเป็นคนธรรมดาเป็นราษมนตรธรรมดาเต็มขั้นนี้ไม่พอใจต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกำนันต้องเป็นสอทสอสอสจต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นหรืออยากให สิ่ง น, นั้นเป็นอย่างนั้นสิ่ง น, นี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้คนนั้นทาไม่ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ evet. พอไปยุ่งกับเขาก็จะทำให้เกิดความวุ่นใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เรียกว่าภาวะตัณหา h, ความอยากมีความความอยากมีอยากเป็นส่วนความอยากกลุ่มที่สามเรียกว่าวิภภาวะตัณหา คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราลักเราชอบไปอยากให้เขาอยู่อยากจะไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นหายไปดับไปเช่นตอนนี้บ้านเมืองวุ่นวายอยากจะให้บ้านเมืองสงบ พอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วความอยากนี้ก็ไม่ได้ไปทําให้บ้านเมืองสงบบ้านเมืองจะสงบไม่สงบเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาแต่เราไปอยากแล้วเราก็จะวุ่นวายใจทุกใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ พอเราไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะวุ่นวายใจหรือเราไปอยากให้คนที่เรารักเราชอบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะวุ่นวายใจเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องปล่อยวางยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนว่าสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เราไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้เช่นเวลาฝนตก เราจะไปสั่งให้ฝนหยุดตกไม่ได้ถ้าอยากให้ฝนหยุดตกก็เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือความอยากทั้งสามข้อที่เราต้องกําจัดให้ได้แต่ความอยากทําบุญการอยากทําทานรักษาศีลการอยากปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไม่ได้เป็นความอยากที่สร้างความทุกข์แต่จะเป็นความอยากที่จะมาดับความทุกข์ อันนี้อยากได้อยากทำบุญทำได้แต่ต้องรู้จักฐานะว่าตอนนี้เราเป็นฐานะอะไรเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นนักบุ ญ, นนบญถ้าเราเป็นนักบุญเรายังไม่ได้เป็นนักบวชเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้ไปปีกวิเวกเก็บตัวอยู่ตามลำพังเราก็ทำบุญได้ดีกว่าไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือย เราเอาเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อของพ่มเฟื่อยนี่มาทําบุญอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราเป็นนักบวชแล้วเช่นบวชเป็นพระแล้วบวชเป็นชีแล้วเรือบบวชทางใจปีกวิเวกเก็บตัวปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาภาวนาอยู่ตอนนั้นก็ไม่ใช่เป็นกาเป็นฐานะของเราที่จะมาทําบุญแล้วการอยากจะทําบุญตอนนั้นก็จะถือว่าเป็นกิเลสขึ้นมาแล้ว เพราะว่าจะดึงให้เราลงมาทำบุญที่ต่ำขั้นต่ำการภาวนานี้เป็นบุญขั้นสูงเหมือนกับการเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ยังอยากจะกลับมาเรียนอยู่ชั้นปฐมใหม่อันนี้ความอยากแบบนี้จึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสปัญหาเป็นการดึงให้จิตใจถดถอยไม่ได้ทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้บวชเอยยังเที่ยวยังซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยู่เราเราเกิดอยากจะทาบุญขึ้นมาแทนที่เราจะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทาบุญไอ้อย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมะเพราะเป็นการตัดกิเลสที่ชอบซื้อความสุขด้วยการตอบสนองความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรส ปัจจันี้เองเกิกามตัณหานี่แหละคื อ, อตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจวิธีรักษาใจของเราก็อยู่ตรงที่ทําลายความอยากทั้งสามตัวนี้ให้หมดไปทั้งสามกลุ่มนี้ให้หมดไปกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทําลายตัณหาทั้งสามนี้ก็คือ ทานศีลภาวนานี่เองดังนั้นถ้าเราทําทานทําบุญเรื่อยๆแล้วการมตัญหาก็จะเบาบางลงไปภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาก็จะเบาบางลงไปถ้าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็ยิ่งทําให้เบาบางลงไปเพิ่มมากขึ้นไปแล้วถ้าเราภาวนาได้นั่งสมาธิเดินจงกรมจเจริญปัญญา เห็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเห็นอริยส right so ัจสี่เราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปได้เลยพอไม่มีความอยากเหลืออยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์จะไม่มีความทุกข์เลยจะเป็นใจที่มีแต่ปรมังสุขขังมีความสุขไปตลอดเวลา หลังจากนั้นแล้วไม่จําเป็นจะต้องทําบุญให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาอีกแล้วแต่จะทําก็ไม่เสียหายอะไรแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์ให้กับตนมากขึ้นไปกว่าที่มีอยู่เหมือนกับเติมน้ําเต็มแก้วแล้วจะเติมเข้าไปอีกก็เติมได้แต่ก็จะไม่ทําให้น้ําในแก้วนั้นมีมากไปกว่าที่มีอยู่ พระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ท่านจึงไม่ได้ทําบุญให้ทานรักษาสิ่งภาวนาเหมือนกับพวกเราทํากันแต่ท่านทําด้วยความเมตตาท่านทําเพราะมันมีมันมาเองเช่นบุคคลศรทาญาติโยมถวายจตุปปัจจัยเงินทองให้แก่พระพุทธเจ้าถวายให้กับพระอรหันต์ท่านก็เอาไปทําประโยชน์ให้แก่โลก แต่ท่านไม่ได้เอามาทำประโยชน์เพื่อตนเองเพราะท่านเต็มแล้วอิ่มแล้วเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วใครเอาข้าวมาให้ก็ไม่ได้กินแล้วแต่จะเอาไปให้คนอื่นที่ยังไม่ได้กินต่อไปนี่คือการดูแลรักษาสิ่งที่เราคนดูแลและดูแลสิ่งที่เรารู้ว่าจะต้องหมดไปในที่สุด ก็ต้องดูแลเหมือนกันแต่ดูแลแบบปล่อยวางพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปพร้อมที่จะให้เขาแก่พร้อมที่จะให้เขาตายไปแต่ใจนี้เราต้องดูแลด้วยการเจริญทานศีลภาวนาเพื่อจะได้ทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์พอในป้าอริยสัจสี ท่านทรงแสดงไว้ว่าทุกของใจเกิดจากความอยากคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาทุกจะดับไปได้ก็เกิดจากมักมัช ก, ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองจากนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนาทำไปเรื่อยๆทำไปให้มากแล้วความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ก็จะหมดไปตามลำดับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วชีวิตจิตใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเป็นทาตของความอยากหลุดพ้นจากความกดดันของความทุกข์ต่างๆจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอนันตการไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าพระอา น, นันนี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ของท่านอยู่ในพระนิพพาน อยู่อย่างปลามังสุขแข็งท่านไม่ได้ไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่มาออกมารับแขกรับคนเหมือนพวกเราที่ยังชอบออกมารับแขกรับคนยังออกไปหาคนนั้นหาคนนี้อยู่เพราะพวกเรายังหิวอยู่อยู่คนเดียวแล้วมันหงุดหงิดเศ้าซ้อยหงอยเหงาต้องออกไปหาคนนั้นคนนี้ถึงจะมีความสุขแต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของป้าละหามนี้อิ่มแล้วพอแล้ว ไม่หิวไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะเห็นหน้าใครพอเห็นก็รู้ว่าเหมือนกันหมดมันก็อาการสามสิบสองท้าใจก็เหมือนกันหมดมีแต่ความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จะไปหามันทำไมอยู่คนเดียวแสงจะสบายไปหาเหามาใส่หัวทำไมนี่แหละคือสถานภาพของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหนทั้งหลายท่านไม่ได้หายสาบสูญไปอย่างที่พวกเราคิดกัน พาเราไปได้ยินคําว่านิบานังปรมังสุญัติ์เกีว่านิพพานศูนย์ิเขาไม่รู้ว่าคําว่าศูนัตนี้ศูนัตจากกามาตัาหาภวะตัาหาวิภวะตัาหาศูนย์จากความทุกข์สุญัตจากอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวต่างๆใจจะเย็นจะสบายเป็นเหมือนน้ําใสสะอาดหรือเหมือนเสื้อผ้าที่เราซักจนสะอาดแล้วเสื้อผ้าหายไปไหนหรือเปล่าเสื้อที่มันสกรปกรกล้วเอาไปซัก เอาคาบสกปรกออกไปจนมันเป็นปรมังศูนย์อย่างแล้วไม่มีคาบสกปรกติดอยู่แล้วเสื้อหายไปด้วยกับคาบสกปรกหรือเปล่าอฉันใดใจที่มันสกปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันก็ไม่ได้หายไปกับตันหากิเลสมันก็ยังอยู่อยู่แบบไม่มีกิเลสตันหานี่นี่แหละคือ เป้าหมายหรือสุดยอดของใจอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาขอให้เราจงตั้งเป้าของการปฏิบัติของเราไปที่ตรงนี้แล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้พบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอนยาถาวาริาวาหาปุราปาริปุรินติสกากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกะ ป, ะปะติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิว so ัชจนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะอภิวัตนสีลิสลิจังวุธาปจายิโน จตารุธรรมวาทานติอายุมโนสุขังภาลังท่านที่มาที่หลังอยากจะเข้ามาถวายของอยากจะมาหยิบหนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาได้ท่านที่อยากจะถามปัญหาก็เชิญเข้ามาถามได้ อันนี้หลวงพอ่อท่านอยู่ ท, ที่ไหนอันท่านก็ยังอยู่พี่เชียงยจ้งหวัดอยูงเดียวเลยอยู่สามองค์ท่นาน น, นนี้ได้กี่ภาษาล้วได้สามชุดก็อบอกให้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไระดีเท่ากับการบวช นานาจิตตังถึงมีสินค้าทุกแบบรถยังมีหลายระดับหลายหลายแบบมีเล็กมีใหญ่มีแบบขึ้นเขาลงห้วยมีแบบวิ่งในเมืองวิ่งในบ้านก็ตามใจการมาตัณหาทง <c oughs> ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา มันถึงมีหลากหลายอาไม่มีการาาาวัตหาภาวะัตถนาวิภาวะวัตถารถยนต์ก็ขายไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้นั่งรถท่านเดินถึงแม้จะมีลาชรถท่านก็ไม่นั่งสมัยโบราณเขก็มีรถมีเกวียนแต่ท่านเดินเพราะท่านไม่มีความอยากสบาย ท่านกลับการเห็นการเดินเป็นประโยชน์กับร่างกายมากกว่าการนั่งนั่งนานๆแล้วก็ทําให้่ไมร่างกายไม่แข็งแรงไม่ได้ออกกํากลังกายนั่งนั่งนอนนอนนี่ไม่ใช่จะดีนะมันดีสําหรับกิเลสตานาะกิเลสชอบสบายชอบชอบกินแล้วก็นอนแต่ไม่ชอบทํางานไม่ชอบออกกําลัง แต่ทําไปทํามาก็ต้องออกกันอย่างนี้คนออกมาวิ่งกันตามสวนลุมตามเพราะกลัวตายกันเพราะวิภาควิทย์านหายล้เพรา ะ, มระาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเันก็เลยต้องมาวิ่งอยู่ดีท่านต้องวิ่งทำไมซื้อรถทําไมเวลาไปทํางานก็วิ่งไปทํางานแล้วมันสบายกว่าไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองไม่ต้องมาสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอหมอกควันต่างๆ เนี่ยทุกวันเนี่ยอากาศของเรานี่เป็นพิษกันไปหมดแล้วสูดควันพิษกันเข้าไปทำให้อายุสั้นเพราะขี้เกียจขี้เกียจเดินไปทำงานขี้เกียจวิ่งไปทางานเนี่ยถ้าถ้าหนาหนจะต้องวิ่งเนาะทำไมไม่เอาวิ่งไปทำงานแทนได้ก็หมดเดิม อ, อยู่ที่ทำงานถึงเวลาทำงานทุกคนก็วิ่งไปเดินไปรถก็ไม่ติดสบายจะตายลย แล้วเร็วกว่า น, นั่งรถไปเช้บางทีระยะทางเดินไปแค่สิบนาทีนั่งอยู่ในรถครึ่งชั่วโมงก็ยังไปไม่ถึงมันติดกันอยู่ในรถนั่นแหละแต่ว่าความอยากจะสบายอยากจะนั่งในห้องปรับอากาศเยน็นๆไม่อยากให้เหงื่อออกเดินเดินแล้วเหงื่อมันออกมนุษย์เราจึงสร้างปัญหาให้กับตัวเองแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่มาแทน ปัญหาของความอยากจะอยากจะสุขอยากจะสบายก็เลยสร้างปัญหาให้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์อยู่ดีแทนที่จะนั่งกินกินนอ น, นอนไม่ต้องออกกําลังกายก็ไม่ได้ก็ต้องเข้าจิมกันล่ะเข้าไปฟิตเนสกันละไปเดินไปวิ่งกันไปยกน้ําหนักกัน ไ, ไปไนไนะไทำใบว่ายนองว่ายน้ำไปทาอะไรต่างๆนานาน ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของตันหาทั้งสามนี่แหลรามาตันหาก็อยากจะมีความสุขกับลูกเสียงกลิ่นรสแต่พอกินมากๆก็ต้องต้องก็ต้องหนีวิภาวะตันหาแล้ววิภะกลัวจะตายแล้วกินมากๆเดี๋ยวไยมันขึ้นเดี๋ยวบาหวานขึ้นก็ต้องไปวิ่งไปออกกําลังกายก็ต้องไปเหนื่อยอยู่ดี กินได้น้อยรู้จักประมาณกินพอสมควรไม่ได้กินเพื่อความอยากเช่นกินวันละมื้อก็พอแค่นี้มันก็สบายไม่ต้องไปวิ่งให้มากไม่ต้องให้เหนื่อยไม่ต้องไปลดน้ําหนักเพราะไม่มีน้ําหนักจะให้ลดเข้าใจไหมเพราะเราไม่กินมากน้ําหนักมันเพิ่มเพราะอะไรเพราะมันกินมากถ้าอยากจะลดน้ําหนักก็กินให้มันน้อย นี่จะลดน้ำหนักกับต้องไปวิ่งให้มันลดมามันจะลดตรงไหนอะมันวิ่งแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่ลดหรอกพอพอมันวิ่งเสร็จมันก็หิวมันก็อยากอีกมันก็กินมากขึ้นไปเองปัญหาคือหยุดความอยากของตัวเองไม่ได้ม น, นุษย์เราเลยต้องมีวิธีแก้แก้ก็ไม่ถืกวิธีไปแก้ที่ปลายเหตุไปออกกําลังไป <c oughs> ทำอะไรต่างๆต่ ถึงเวลากินก็ลืมหมดเรื่องน้ำหนักเร็นอะไรก็คว้าเข้าปากคว้าเข้าปากแล้วก็มามามาิดอีกทีก็ตอนไปเหยียบตาช่างดูโอ๊ยชไมมันขึ้นเยอะเอ ง, ง<笑><笑>ก็เวลาเติมมันไม่มองเลยเวลาเข้าไปแล้วมันออกยากนะเนี่ยปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ตันหานี่แหละถ้าเรา ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมได้แล้วนับรองได้ว่าปัญหาเรื่องอสุขภาพร่างกายนี้จะไม่มีร่างกายจะเป็นปกติจะกินไม่มากเกินไปเพราะเราควบคุมความอยากได้อันไหนกินแล้วเป็นพิษเป็นภัยก็ไม่กินมันเสอันไหนกินที่เป็นประโยชน์แต่กินได้พอประมาณไม่ให้มากก็กินแค่พอประมาณ การปฏิบัติธรรมจึงมีพระประโยชน์ทั้งร่างกายกับจิตใจจิตใจก็ไม่ทุกข์ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดูพระครูบาอาจารย์ต่างๆท่านอยู่กันเกินเก้าสิบไปทั้งนั้นนะพวกเรากินวันละสามมือ้ออยู่กันถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าท่านฉันวันละมือ้อเท่านั้นเองท่านอยู่ถึงเก้าสิบถึงร้อยปีกัน าเราไม่เราไม่ศึกษากันมั่งไม่ใช่เหตุใช้ผลกันบ้างจะเอาแต่ความอยากเป็นที่ตั้งพอถึงเวลาอยากแล้วไม่ฟังเสียงใครนั้นก็ <c oughs> กินอย่างกระทั่งมันกินไม่ลงถึงจะหยุดกินนะกอให้เราเระมัดระวังนะพยายามใช้ธรรมะเข้ามาสอนใจเตือนใจว่าความสุขทางร่างกายเป็นความทุกข์มากกว่า มีเรื่องมีปัญหาตามมามากแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีทุกข์และก็เป็นประโยชน์กับร่างกายก็จะทาให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานฉันขอให้เราพยายามปฏิบัติทำกันให้มากๆทำทานกันให้มากๆรักษาศีลกันให้มากแล้วก็ภาวนาให้ว่าฝึกสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ง่ายจะตายไปให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวเด็กกอไก่เด็กเรียนอนุบาลยังท่องได้เลยพุโทโธพุธโทโธเอท่องมันไปทั้งวันดูเลยแล้วใจจะเย็นใจจะสบายความอยากจะน้อยลงความหิวความต้องการสิ่งต่างๆจะน้อยลงไปความเครียดจะน้อยลงไปความวุ่นวายใจจะน้อยลงไปความอิอจฉาใจจะมีมากขึ้นความสุขใจจะมีมากขึ้น พุโทโธรมเดียวนี้ของวิเศษแท้แทกับไม่สนใจกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดแล้วก็เกิดความโลภอยากจะได้กันอ้ น, นั้นก็ดีอ้นี่ก็สวยอ น, นั่นก็งามโดยไม่คิดว่าได้มาแล้วมันเป็นประโยชน์อะไรกับใจเราไม่เป็นเลยกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะจะต้องมาคอยดูแลรักษาต้องหวงต้องห่วง ความหวงก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความห่วงก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งความเสียดายเวลามันหายไปก็เป็นความทุกข์อีกถ้าไม่มีมันก็ไม่มีความทุกข์เหล่านี้เป็นพยายามอยู่แบบตัวเดียวดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบขอทานขอทานนี่ก็ไม่มีสมบัติอะไรเขามีแค่กินไปวันๆหนึ่งเขาก็พอแล้วถ้า <c oughs> มีสมบัติแล้วมันก็ต้องทุกข์กับสมบัติะ มีบุคคลก็ต้องทุกข์กับบุคคลมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องไปทุกข์กับเขามีเงินทองก็ต้องทุกข์กับเงินทองกลัวหมดกลัวหายกลัวไม่พอใช้ก็ไม่มีเงินใช้ไม่ใช้เงินมันก็ไม่กลัวไม่มีก็อยู่ได้อยู่แบบพระเนี่ยพระไม่มีเงินไมมีทองมีแค่ข้าวกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว เราอย่าไปหลงว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินมากๆอยู่ที่การได้มีหน้ามีตามีคนยกย่องนับถืออันนี้มันเป็นความสุขปลอมเพราะเวลามันเสื่อมมันหมดไปแล้วเวลานั้นจะอยู่ไม่ได้เวลาเวลารวยแล้วจนนี่ยังไม่กล้าเจอหน้าใครแลว้วกลัวอับอายขายหน้าเขาจะไม่อยากเจอใครเพราะเราไม่มีอะไรอวดเขาแล้ว เมื่อก่อนเรามีของอวดคนเห็นเขาก็ตื่นเต้นโหนดีออกดีใจตื่นเต้นไปกับเราเพราะเขาอยากจะได้แบ่งส่วนแบ่งจากเราแต่พอเราไม่มีแล้วเขาก็ไม่สนใจเขากลับกลัวเราแล้วเลยกลัวจะมาขอส่วนแบ่งจากเขาแล้วนะ <c oughs> จำไว้นะเพื่อนตายนี่หายากนะเ <c oughs> พื่อนกินนี่มีเยอะไม่เชื่อลองจนดูลองจนดูแล้วดูซิจะมีเพื่อนหรือสักกี่คน พอาจารย์ครับมีคำถามตกค้างเพิ่มเติมมาครับจากคุณโลตัสโพสแมนนะครับปกติผมภาวนาอาณาปานสติจนเห็นแสงวูบวาบเห็นนิมิตแต่ก็ไม่สนใจก็รู้ลมต่อไปเรื่อยๆจนลมหายใจเบาขึ้นเบาขึ้นแต่เมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆกับวูบทรงตัวไม่อยู่สับพงก ก็กลับมารู้อยู่ที่ลมใหม่ไม่สามารถพัฒนาจิตสู่สมาธิลึกๆได้การภาวนาจึงติดขัดอยู่ที่ตรงนี้เรื่อยมารบกวนหลวงพ่อช่วยเมตตาชีแ้แนะนำวิธีแก้ไขให้เจริญในการภาวนาต่อไปก็เป็นเพราะว่าไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังพอถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับเครื่องยนต์ไม่มีกำลังพอก็ต้องไปเปลี่ยนรถใหม่ ไปเอารถที่มีกําลังมากขึ้นหรือเปลี่ยนรถรถที่วิ่งขึ้นเขาลงเขาได้การที่จะพัฒนาสติของเราเราก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นไม่พอกําลังจะไม่พอเราต้องสร้างสติตลอดเวลาเลย <c oughs> ตั้งแต่ตื่นจนหลับเพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่า ไม่มีอะไรที่จะสาคัญเท่ากับสติสตินี้เป็นธรรมที่สาคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดลองเปรียบว่าสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างขนาดของรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดถึงแม้ว่าช้างจะไม่เป็นสัตว์ทีอ่อ่ยิ่งใหญ่โหดไายหรือทำลายผู้อื่นได้แต่แต่รอยเท้าของช้างนี่ใหญ่ หมืนกับสตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถฆ่ากิเลสได้ถึงแม้จะไม่สามารถทําให้จิตหลุดพ้นได้แต่ถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็จะไม่มีปัญญาปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะฆ่ากิเลสได้แต่ปัญญาก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนสมาธิก็ต้องมีสติเป็นผู้สนับสนุนดังนั้นก่อนที่เราจะ ได้ปัญญาได้สมาธิเราก็ต้องมีสติก่อนเราจึงควรทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจของเราให้อยู่กับการเจริญสติเช่นบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราต้องท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนตอนเราท่องกอไก่ขอไข่จนถึงหอนกุู่ไม่ได้เราก็จะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้ อันใดการที่เราจะนั่งสมาธิให้จิตสงบไม่ให้วูบหลับไปก็ต้องให้มีสติมากๆแล้ววิธีที่จะช่วยให้มีสติก็คือต้องไปอยู่ในที่มันน่ากลัวเวลาใจกลัวแล้วมันจะอยู่กับพุโทโธไปเลยเวลาอยู่ไปคนเดียวในป่าแนละ้วคิดว่ามีผีมีสัตว์มีเสือจะมาทําร้ายความกลัวจะทําให้ใจนิทุกมาก และวิธีเดียวที่จะทำให้ใจหายทุก็คือต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธตอนนั้นก็จะเอาพุทธโธอย่างจริงใจจริงจังเลยไม่สนใจกับอะไระพออยู่กับพุทธโธได้เดียวเดียวไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็สงบเลยพอใจสงบแล้วความทุกข์ก็หายไปความกลัวก็หายไปผีก็หายไปเพราะผีมันเกิดจากใจสร้างมันขึ้นมาเองผีจริงมันไม่หลอก ผีปอมมนทั้งผีหลอกคือผีปอมผีที่ใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสติมากๆเราต้องไปอยู่ในที่น่ากลัวน่ากลัวเพราะมันจะบังคับให้เราต้องคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆหรือการจดจอ่อการการมีความระมัดระวังนี่ก็เรียกว่ามีสติเช่นเราไปอยู่ในป่าเวลาเดินนี่เราจะเดินแบบเออเราเหยไม่ได้ เราจะต้องคอยมองทางอยู่ตลอดเวลาว่ามีสัตว์มีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าโดยเฉพาะเดินตอนกลางคืนได้ยิ่งดียิ่งจะทำให้มีสติมากขึ้นดังนั้นต้องพยายามสร้างสติให้ได้ถ้าสร้างสติในชีวิตประจำวันไม่ได้ก็ต้องออกไปหาที่ที่จะบังคับให้เราเจริญสติกันมาอยู่ที่มันน่ากลัวแล้วมันจะ จะมีความระมัดระวังจะมีสติเวลากลัวมากๆมันก็จะมีมันก็จะสวดนมนต์หรือจะพุโทโธไปแล้วมันก็จะทำให้ใจสงบได้ถ้าอยู่ตามปกติอยู่ที่ปลอดภัยมันจะขี้เกียจเ <c oughs> พราะม่มีอะไรบีบบังคับ <c oughs> แต่พอไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันบีบบังคับให้ใจต้อง หาที่พึ่งมันก็จะคิดถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆทันทีเังั้นบางทีเราจะต้องบังคับตัวเราเองให้ไปหาสถานที่ที่จะทำให้เราต้องพึ่งตัวเราเองสิ่งที่จะพึ่งได้ก็คือสตินี่เองถ้ามีสติแล้วใจจะสงบใจสงบแล้วก็จะหายทุกข์ว่างไหมมีก็เปล่า มีอีกข้อนึงครับแต่น่าจะเป็นประโยชน์บอกเล่าครับแต่ของพระอาจารย์เมตตาขยายความครับาจากคุณมณีรัตน์นะครับธรรมโอสถของพระพุทธองค์ชนะโอสถทั้งปวงก็นี่ยไงที่พูดนี่ก็สตินี่ก็คือธรมอ ร, ธรมโอสถแต่ธรรมโอสถนี่มีไว้สําหรับรักษาโรคใจไม่ใช่รักษาโรค ก, กายโรค ก, กายนี้ต้องใช้ยาที่หมอก็ เขาผลิตกันขึ้นมาเวลาร่างกายเป็นอย่างนี้ต้องใช้ยารักษายกเว้นว่าโรคที่ของร่างกายนี้เกิดจากจิตเป็นต้นเหตุเช่นเกิดจากความเครียดเกิดจากความกลัวเกิดจากความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ทําให้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อันนี้ยาทางร่างกายจะรักษาไม่ได้ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องรักษา ต้องทำใจให้สงบหรือต้องมีปัญญาปลงให้ได้เช่นเราเราทุกข์กับอะไรเราก็ปลงให้ได้เช่นเราทุกข์กับสมบัติเราก็ต้องพิจารณาว่ามันในที่สุดมันก็ต้องหมดไปหรือเราก็ต้องจากมันไปเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขงกังนัตาถ้ามันจะจากเราไปตอนนี้ก็ต้องปล่อยมันจากไปถ้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ ไม่สามารถที่จะเหนี่ยวลังให้มันอยู่กับเราได้เราทุกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรายอมปล่อยให้เขาไปเราก็จะหายทุกได้ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรเกิดมาเวลาเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปถ้ามันจะหมดตอนนี้ก็หมดไปถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็หาใหม่ได้ถ้ายังอยากจะได้แต่ถ้าเข็ดแล้ว่ามีแล้ามันทุกข์ก็ ไปบวชเป็ชีดีกว่าบวชเป็นพระ ด, ดีกว่าอบางคนที่ไปบวชก็เพราะว่าเห็นความทุกข์ของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองอยิ่นถ้าเรามีธรรมะมันก็จะรักษาใจของเราให้ไม่ทุกข์ได้ถึงแม้จะหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแทนที่จะเป็นความทุกข์กลับเป็นโอกาสก็ได้ว่าเมื่อก่อนมีสมบัติก็หวงห่วง ทิ้งไม่ได้ไปบวชไม่ได้แต่พอไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วนี่ก็ไปได้อย่างง่ายดายไปได้อย่างสบายบางคนเมียทิ้งไปก็ไปได้เลยตอนที่เมียยังอยู่กับเมียนี่ก็หวงเมียหวงเมียแต่พอเมียทิ้งปับ๊บโอ๊ตตอนต้นก็แทบจะเป็นลมหน้ามืดแต่พอได้สติกว่าเออก็ดีเนี่ยเราจะได้ไปได้ละไปบวชได้ละ การสิ้นเนื้อประดประดาตัวการที่จะต้องสูญเสียอะไรต่างๆนี้ความจริงแล้วมันเป็นเป็นกุศลมันเป็นมันเป็นโอกาสขอให้เรารู้จักการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเท่านั้นเองถ้าเรามีธรรมะเราก็จะพลิกมันได้แต่ถ้าเรามีความหลงเราก็จะทุกข์มากเพราะเราอยากจะให้ทรัพย์สมบัติที่เราสูญเสียนี่กลับคืนมาหาเราใหม่ นี่แคือธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วก็จะดีใจไม่ใช่เสียใจเวลาหมดสิ่นเนื้อปราตัวนี้ดีใจโอ้เราได้เป็นอิสระแนละ้วไม่ต้องมาฟ่อมเงินทองะเราจะได้ไปบวชได้นะกา น, นพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะได้คติเตือนใจแล้วก็จะได้มีธรรมะไว้คอยรักษาใจ ให้อยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะธรรมะนี้รักษาได้ทุกเรื่องเรื่องร่างกายก็รักษาได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์กับมันได้เรื่องของคนนั่นคนนี้ก็รักษาได้เรื่องของทรัพย์สมบัติของข้าวของเงินทองเรื่องของตำแหน่งเรื่องยศเรื่องอะไรต่างๆรักษาได้หมดรักษาให้ใจไม่ทุกข์กับลาบยศสารเสริญได้ งั้นขอให้เราพยายามศึกษาแล้วปฏิบัติเถิดแล้วเราจะได้ธรรมโอษฐ์ไว้คอยรักษาใจเราไม่ให้ทุกขกับเรื่องราวต่างๆอามะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาท่านที่มาฟังก็นานพอแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านที่มาทีหลังเข้ามาต่อไปขอให้ปฏิบัติกันเพื่อ าเจริญก้าวหน้าในธรรมยิงย่งขึ้นไปเท่นนานได้ถามเลยจิรารุปุะลูกภาวนาก็ตั้งใจภาวนาว่าการภเนี่ยัเหมือนตาจิตลูกใหญ่เหมือนกับว่ามันเหมือนว่า มันมันเหมือนว่าจิตมันไม่อยากจะสงบก็ไม่สางบแต่ลู้ไปอยู่ที่วิเว้ยเนา่ยเวลาทำภาวจิตมันว่างมันเงียบค่ะมันเหมือนว่ามันมีความเป็นยี่สิบกว่านี้มันได้มีความสุขตรงนี้แต่รู้ก็พยายามดึงเรื่องที่ผ่านมาเพื่อจะมาพิ่แจมัแต่พยายามดึงมาดึงมันก็ไม่อยากมามันจะท่ายล่ะ มันมันมันมีความรู้สึกว่าตัวเองติดในสุกตรงนี้นิ่งๆนั่นเหมือนก็บมันสุกตรงนี้แต่ว่ามันไม่อยากพิจารณาแต่พยายามปัญญารู้ค่ะดึงมันมาจากพิจารณาแต่ว่ามันก็เหมือนว่ามันไม่อยากคิดพิจารณาดึงมาแล้วมันก็หายไปดึงมาแล้วก็หายไปก็ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้นะนอกจากเวลาเราทุกข์กับมันเราก็พิจารณาเพื่อปล่อยมัน แต่ถ้าเราปล่อยมันแล้วเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาเหมือนกับกินยาเนี่ยถ้าโรคหายแล้วก็ไม่ต้องเราก็ไม่อยากจะกินยากินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เวลามันเป็นโรคขึ้นมาเราก็ต้องกินยานการพิจารณาปัญญานี้ก็เหมือนกับกินยาเวลาเราทุกข์กับเรื่องใดเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาพอพิจารณาแล้วใจก็จะหายจากความทุกข์ได้ แต่ถ้าใจสงบมีความสุขแล้วไม่ทุกข์กับอะไรแล้วไปพิจารณาอะไรทําไมใช่ไหมก็เหมือนนึกคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาเราคิดแล้วเกิดปัญหาแล้วแล้วอาจจะแก้ไขแบบผิดพลาดอย่างนี้เราก็อยากดึงมาเพื่อจะพิจารณาดูว่าอ ะ, อะไรที่เราทาถูกหรือไม่ถูกนี้เราจะได้มาแก้ไขเนียคะแต่ว่ารูปก็ดึงมาน้ำก็หายไปดึงมากก็ก็ไม่เป็นไรถ้าหายก็ช่างมันก็มันไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วไว้ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมา มันก็จะต้องคิดมันจะต้องพิจารณาแล้วแหละเพราะถ้ามันไม่พิจารณามันก็จะไม่หายทุกข์แต่ตอนนี้มันไม่ทุกข์มันก็เลยไม่รู้จะพิจารณาไปทําไมแล้วที่อยู่ในระหว่างลูกปฏิบัติธรรมอยู่จิตมันสงบมันว่างมันนิ่งอยู่มันมีสติตลอดนั่นแหละดีแล้วแหละให้มันเป็นอย่างนั้นไปตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ว่าลูกเป็นแต่เฉพาะอยู่ตรงที่มันเรียกมันนิ่งเราก็ต้องไปฝึก เวลาไปอยู่ที่ข้างนอกก็าพยายามรักษาให้มันสงบให้ได้ตอนนั้นน่ะต้องใช้ปัญญาพิจารณาต้องปล่อยวางทุกอย่างว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเรารักษาใจเราดีกว่าเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสงบจะเหมือนกับเราไม่ได้อยู่กับเขาอยู่แต่ใจเราไม่มีอารมณ์กับเขาเพราะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเหมือนกับตอนที่เราไม่อยู่เขาเป็นอะไรเราก็ไม่วุ่นวายใช่ไหมดังเวลาเราอยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องไม่วุ่นวายเหมือนกันจะไม่วุ่นวายได้ก็ต้องมีปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากถ้าอยากแล้วใจจะวุ่นวายอันนี้พอถึงอยู่นีนถึงตอนนั้นเราต้องพิจารณาแล้ววิธีแก้ปัญหาต่างๆก็คือปล่อยวางท่านั้นเองอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราทําอะไรได้เราก็ทําไปไม่ได้ห้าม ทำแล้วมันดีขึ้นก็ทำไปแต่ถ้าทำแล้วทำไม่ได้ก็อยากไปทุกข์กับมันมว่าบางอย่างเราทำไม่ได้เราไปสั่งให้เขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันหน้าหันหลังไม่ได้แล้วก็เดยวไปสั่งคนไหนสั่งได้ก็สั่งไปเท่านั้นเองนี่คือสุดความอยากของเราอ่าใช่ความอยากของเราจึงทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่วุ่นวายใจ ถามถามว่าตอนนี้เรากําลังอยากอะไรอยู่อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราสั่งก็ได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปเอาปล่อยแล้วก็จะสบายใจอ่าอันนี้แหละต้องทําอย่างเนี้คือเรื่องตรงนี้คือห่วงตรงนี้คือว่าเราไปห่วงเขามากเกินไปจะใส่เลยทำให้เราทุกข์อย่เพราะอยากให้เขาดีอยากให้เขาอยู่ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วย นี่มันเป็นไปได้หรือเปล่าใช่อ่าเราต้องดูความจริงเป็นแบบมันก็ต้องเกิดจากปัญญาของเราใช่ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆอ่าถ้าเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราเมาคิดล่วงหน้าไว้ก่อนได้ก็ดีมาวางแผนมาวางแผนว่าเกิดเกิดเหตุการอย่างนี้เราจะทำยังไงเราปล่อยได้ไหมได้เราแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป มีสติแต่ไหจะใช่ก็จะควบคุมอความอยากของเราอใช่มีสติมีปัญญาอแต่ก็ต้องมีสมาธิก่อนอพอมีสมาธิแล้วก็จะควบคุมได้พอใจสงบแล้วมันจะมีกําลังหยุดความอยากได้นี่แหละตอนทูกมีเยงอยู่เลี้ยงอรู่ลูกบบ มันเหมือนกับว่ามันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความอยากมับตัวเองนี่มันได้หมดเลยจิตเรามันได้อย่างนี้เลยเรีว่าพอไปถึงบ้านมันเหมือนอะไรอิลุงตุงนางเนื่อแต่ว่ามันก็รู้ทำมันเจ้าค่ะแต่ว่าจิตเรงก็ยังไม่ยังอยากให้มันดีอยู่นั่นแหละที่เราต้องกลับเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ละอย่าไปอยากแล้วต่อไปนี้ใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแล้วคราขอความเมตตาอาจารย์เมตตาลูก ออหยุดความอยากของเราไงอย่าไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายเพราะเราสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาคิดอย่างนี้เหมือนฝนตกแดดออกเราไปสั่งให้ฝนหยุดสั่งให้ฝนตกได้หรือเ่าให้คิดอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกับฝนนะโอเคนะะอ่านหนังสือฟังผ่าที่ดีไปก็จะเข้าใจเอง จะพูดแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนะั่นละเอียดมาก เ, เ, เ, เ, เ, เแล้วมีอะไรก็มาค่อยมาคุยกันใหม่อมขอโอกาสอาจารย์ผมบ้านบวชมขึ้นบ้านนะครับบวชทาลายรังแล้วมันตายครับกวชิดศีนะครับผมไม่รู้จะทําไงดีก็มีคนก็อาสาสมัครแะททำให้ เ ป, เปิดเปิดทั้งซื้อพิมพ์ดูเลยก็มีเขียนโฆษณากับรับคำจัดปลวกเขาอาสามาเองเราไม่ได้ไปสั่งเขาครั บ, รบแต่ถ้าในกรณีอย่างผมเคยไปปฏิบัติทำแล้วทีเนี้ยเลยไปตีทำรวาดตีสัตว์ยางไงครับตีไปแล้วมันมีมดมีแมงตามพื้นถ้าเห็นก็ฆ่ามันไปเห็นก็ฆ่ามันไปอย่าไปตีถ้าไม่เห็นก็แล้วไปถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นไ ร, รแต่สงแต้ เราตั้งสมาธิจนแบบขาปวดที่คือเราต้องสู้ต่อบหรือว่าเราไม่สู้เราเพียงแต่ปล่อยมันปวดไปทั้งเองอย่าไปสู้กับมันปล่อยจนยังนั่ต่อไปนั่งต่อไปมันจะปวดก็เรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์ที่นั่งไม่ได้เพราอยากให้มันหายพออยากแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาในใจอที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความความปวดของร่างกายแต่ความทุกข์ของใจ ที่อยากจะให้ความปวดหายไปก็ความอยากอยู่เหมือนกัน่ะแบบเดียวกับที่โยมนี้ถามมาก็อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็อยากให้ความปวดหายไปมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมางั้นอย่าไปอยากมันปวดกออ็ปวดต่อไปปวดมากกว่า น, นี้ได้ไหมถามมันดูท่ามันไปเลยอไม่ต้องเปลี่ยนกมาเดินไม่ต้องเปลี่ยนล่ะถ้าเราถ้าเร า, า, เร า, าอยู่เฉยๆไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ก็ใช้การท่องพุโทโธไปช่วยก็ได้ ถ้าพุทโธพุทโธไปไม่ไปสนใจกับมันนัดเดี๋ยวความทุกข์ใจก็จะหายไปเหมือนกับความกลัวเนี่ยเวลาเรากลัวเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความกลัวก็หายไปเวลาเราอยากให้ความเจ็บหายไปเราก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหายไปเองล้วก็จะนั่งอยู่กับมันได้เมืนเวลาเรานั่งดูหนังต้องสองชั่วโมงยังนั่งได้เลยใช่ไหมต่อไปเวลาคุณนั่งดูหนังคุณลองนั่งขัดสมาธิดูเลยดูซิว่าจะนั่งได้มั้ยลอบลองนั่งได้ สองชั่วโมงก็นั่งดูได้อย่างสบายเพราะคุณมีงานทําไงใจมันมีงานทํามันไม่สนใจกับความปวดงั้นเราต้องหางานให้ใจทําเวลาที่มันปวดร่างกายปวดก็ใช้พุทโธเป็นงานพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วมันก็จะลืมเรื่องความปวดไปมันก็จะไม่มีความอยากให้ความปวดหายความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจนี่แหละที่ไปขยายความปวดของร่างกายให้รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นอีกสิบเท่าขึ้นมา พอไม่มีความทุกข์ใจความปวดใจก็นิดเดียวเท่านะี้ความปวดของร่างกายก็นิดเดียวลองไปทําดูแต่ว่าเราก็เคย น, นั่งนานเขพอปวดขามันก็จะทนได้กับปวดขากันมันก็พอนานเข้าก็จะหนักเข้าเรื่อยๆพอบอกพูดโทพุดโทรติดๆก็จะสัส่นๆนี้เหลืออย่างเดียวแค่ว่าตายตายตายอย่างที่ครูบาอาจารย์เตือนบอกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ ได้แค่สมชั่วโมงบางทีอยากชั่วโมงก็อย่าไปอยากสิแด้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนได้เท่านั้นก่อนสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่ใช่ชั่วโมงเราอยากจะเห็นอริยสัจเราจะเห็นอยากจะเห็นความอยากที่เกิดขึ้นในใจและอยากจะใช้ปัญญาหยุดความอยากนี้ต่างหาเช่นเวลาเราเกิดความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเรยาต้องพิจารณามันเกิดจากความอยากของเราใช่ไหมอยากให้มันหายใช่ไหม แล้วเรามีวิธีที่จะทําให้มันหายหรือเปล่าถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันไปเพราะความเจ็บมันก็เป็นนั้นอันที่จังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือเราไปสั่งมันไม่ได้พอเราสั่งมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพอเราอยู่กับมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันต้องการให้เห็นตัวนี้มากกว่าไม่ใช่เอาชั่วโมงเป็นหลักให้เห็นอริยสัจสี่ เือ พ, พ ớ ớ ูดโทรก็หนกเข้าหนักเข้มันก็พูดโธจะไม่ไหวพูดแทะสายตาชันข้นเรื่อยเรื่อยหนักข้นเรื่อยากื่อยเพราะว่ามันไม่พูดโธจริงมันพุดโธไปก็อยากจะหายพรอมพอมกันไปต้องไม่อยากหายเลยต้องอยู่กับพูดโธรอย่างเดียวไม่สนใจกับความเจ็บเลยมันก็จะมันก็จะสงบมันก็จะหายทุก์ได้ก่ ถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเราเองไม่สงบเนี่ยเราเราจะแบ่งเวลามาพิจารณากายได้ไหมครับหรือว่าต้องรอให้จิตสงบก่อนจึงจะทพิจารณาถ้าทำได้ก็ทำไปเลยกลัวว่าจะทำไม่ได้มากกว่า<อ>เพราะว่าเวลาใจไม่มีความสงบมันจะไม่มีกำลังที่จะคิดทางทางธรรมะมันจะถูกกิเลส ล, ลากไปคิดทางโลกมากกว่า คิดไปแต่ลองทําดูถ้าคิดได้ก็คิดได้ไม่ทําได้ก็ทําไปแต่จะจะตัดกิเลสได้หรือไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วถ้าเราใช้แต่สติอย่างเดียวก็คือเดินสติอย่างเดินโดยไม่ต้องคิจดดารณากาอย่างนี้จะได้อันนี้ตอนเริ่มต้นไงก็ต้องแบบเดินกอไก่ขอไข่ก่อนใช้สติไปก่อนจนกว่าจะได้จนกว่าสามารถเข้าสมาธิได้แล้วถึงช่วยออกไปทางปัญญาต่อไป ยังไงก็ต้องเดินปัญญาสุดท้ายใช่เพราะถ้าผ่านผ่านผ่านข้ามสมาธิไ ป, ปแล้วไปหาปัญญามันจะไม่มีกำลังพิจารณาได้พอไปเจอความความกลัวขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้แล้วชีวิตประจำวันเราเนี่ครับคือพยายามให้มีสติอยู่กับกายทีนี้คารวะเนี่ย คือบางทีมันก็ต้องมีจิตการงานหน้าที่จิตมันก็อาจจะไม่อยู่กับกายตลอดเวลานี้มีวิธีแก้ก็ต้องไปบวชนันน่ะเป็นคารวาทำไมบวชดีกว่าเยอะๆคนยาวทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาเงินด้วยแล้วจะเอาาธรรมะด้วยมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกเอาจะเอาธรรมะก็ต้องทิ้งเงินทองทิ้งความสุขทางโลกไป ถ้าจะเอาเอาทั้งสองอย่าง ก, ก็ได้แบบครึ้มครึ้มกลางๆจะร้อนก็นไม่ร้อนจะเย็นก็นไม่เย็นอคนเก็ถึงบวดกันไงเข้าใจไหมตอนต้นเขาก็เป็นคารวะเขาก็ปฏิบัติในฐานะของคารวาะพอปฏิบัติไปแล้วเขาก็จะรู้ขอบเขตว่ามันเต็มที่แล้วอยู่อย่างนี้ก็จะไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยปลูกไปแล้วต่อไปมันก็รู้ว่ามันจะไม่ใหญ่กว่านี้แล้ว ถ้าอยากให้ต้นไม้ใหญ่กว่า น, นี้ก็ต้องเอาออกจากกระถางเอาไปลงดินนะครับอาจารย์ครับทีนี้ปัญหาคือพ่อแม่อยากให้แบบดำเนินชีวิตทางโลกอบบมันแต่ว่าเราก็อยากจะมาทางธรรมเนี่ยมันก็ทานกันอยู่ก็เราเป็นของพ่อแม่ก็เรื่องของพ่อแม่เรื่องของเราก็เรื่องของเราทีนี้ถ้ า, ถ, าถ้าสมมติจะบวชเนี่ยจะต้องให้พ่อแม่อนุญาตก็ถ้าโตแล้วไม่ต้องก็ได้หร อ, อันนี้เขาให้พ่อแม่อนุญาตสาหรับคนที่ ยังยังเด็กอยู่กลจะถูกหลอกลวงไปอ้อไม่ต้องก็ได้แ้วไม่ต้องอุปชาจอย่างเดียก็ลองไปดูเลยเที่เขาให้พ่อแม่เขากลัวว่าจะถูกถูกหลอกหรืออะไรมาก็เลย คือเหมือนกับว่าคุณมัน บ, บรรลุนิถีภาวะคุณเป็นพ่อเป็นแม่แล้วคุณจะต้องไปให้พ่อแม่มาอานุญาตใช่ไหมบางทีอุปชาบอกว่าต้องให้ถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ว่ต้องให้พ่อแม่อนุญาต ก, ก่อนนะครับถ้เพราะคือเหมือนกับว่าพระวิชาวก็สั่งเลยว่าถ้าพ่อแม่ยังแม่อนุญาต ก, ก็คือไม่ยอมให้บวชนะคุณอยากจะบวชจริงๆปัญหานี่ไม่เป็นปัญหาหรอกขอปัหอหอคุณอ ย, อยากจะได้อะไรอยากจะได้อะไรปัญหาต่างๆให้คุณสามารถหาวิธีข้ามมันไปได้ ก็นองไปถามว่าถ้าเกิดผมผมโกหกแล้วผมบวชนี่ผมบวชแล้วจะจับผมสึกได้หรือเปล่าเขาก็จับเราสึกไม่ได้แล้วพอเราบวชแล้วจะจับเราสึกได้ก็ตามเมื่อเราไปทําปาราชิกสี่ท่าั้นเองถ้าไม่ไดบัดที่วัดนี้ก็สึกได้นะครับถ้าพ่อแม่ไม่ยอมก็เราบอกได้ไงว่าชีโพงให้กันเล่าแล้วถ้ายังฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จะฟงไงใจเราบอกตรงๆมันไม่ได้หรอก เข้าใจไหมเยทีเวลาไปโกหกเมียว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยโกหกได้เวลาจาจะโกหกเพื่อไปบวชนี่โกหกไม่ได้นะอยากจะรักษาศีลดันเต็มที่ขึ้นมาใช่มอก า, าดูโกหกบางอย่างมันไม่เป็นโทษมันไม่เป็นพิษเป็นไฟกับใครเขาเรียกว่ากูสาโลบาย ทีนี้ทีนี้ก็ปัญหาคือกลัวว่าพ่อแม่ก็เสียใจอย่างนี้ครับว่าจะจะทํำเราจะทําอะไรเขาก็เสียใจอยู่ดีัและวไปกินเล่าเขาก็เสียใจไปเที่ยวเขาก็เสียใจไปมีเมียน้อยเขาก็เสียใจนั้นอย่าไปกังวลเรื่องใจของเขาถ้าเราทําความดีแล้วพรอพุทธเจ้าก็พ่อแม่ก็เสียใจไม่ใช่พ่อก็เสียใจไม่ใช่ลูกก็เสียใจเมียก็เสียใจ ถ้าพระพุทธเจ้ากลัวความเสียใจของคนอื่นก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาจะทําการดีรู้สึกมันมีอุปสรรคเยอะแยะเลยเวลาจะกินเหล้านี่มันมันอุปสรรคไม่มีเลยใครจะมาขวางมาพูดนี่ไม่สนใจเลยใช่ไหมพ่อแม่ขอเลี้ยงเงก็จะกินอยู่ดีนะพอจะบวชพอจะทาอะไรความดีนั่นหนึ่งมีเรื่องขึ้นมาทันทีเลย นะท่านสมมติว่าไปงานวิจิตรโดยติดทองโพยดอกม้ได้หรืได้หรือเปล่าอ่ะโงไม่เห็นเนี่เลยมาถามท่าน <c oughs> เราเข้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทาหําหรือเปล่านั่นน่ะสิเราทําไปทําไม้จะไดอ่าจะได้ไงไม่ว่าพระเจ้าไม่ได้สอนเนี่นนะะย พระเจ้าสอนให้ทําทางรักษาศีลภาวนาทํา ไ, ไม่ทําแค่สามข้อนี่เองเราอยากจะไปทําเรื่องง่ายๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วคนไปงานพิธีกรรมมาแล้วเหมือนกันว่าคนที่ไปเป็นคนใหญ่คนโตทั้งา น, านั้นก็โง่ทั้ทงนั้นแหละก็โง่ทั้งนั้นแหละก็เลยคิดไปว่าสงสัยเขาเคยทําแบบนี้มาเขาก็เลยได้เป็นใหญ่เป็นโตแบบว่าอการเป็นใหญ่เป็นโตการเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้อยู่ที่การทําบุญอะ การเป็นใหญ่เป็นตัวนี่เป็นใหญ่เพราะฆ่าเขาเพราะโกงเขาทําสงครามเนี่ยไปทําสงครามพอชนะเขาก็ตั้งตัวคนทําบุญนี่ไม่ไม่ใหญ่โตคนทําบุญนี่จะเล็กลงไปเรื่อยๆอยัตราตาัวตนจะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่านใจไหมเป็นขอทาน่ะคนทําบุญในที่สุดทั้งการเป็นขอทาน เป็นนักบวชเห็นไหมการทำบุญนี้ไม่ได้เพื่อให้ให้ร่มให้รวยให้ใหญ่ให้โตทำบุญเพื่อให้ลดอัตราตัวตนลดกิเลสตัณหาลดความหลงทำตัวให้เป็นปัตตภีให้ได้พระเจ้าบอกทำตัวให้เราเป็นเหมือนดินให้ได้ใครจะเหยียบใครจะทาอะไรใส่ดินนี้ดินมันไม่เดือดร้อน ทำใจเราให้หนักแน่นเหมือนดินเราจะสบายใจอันนี้แหละบุญที่แท้จริงอยู่ในองค์ภาวนาอยู่ในองค์ปัญญ า, าทาสามข้อนี้ก็พอทําทานรักษาศีลภาวนาอย่าไปทําอย่างอื่นอย่างคนที่ถามว่าถวายถวายไอ้ไอไอที่ตัดได้ไพ้กับพระแล้วกิเลส จ, จะตัดกิเลสได้หรือเปล่าเ <c oughs> ันเรื่องของความงมงาย เรื่องทําพิธีกรรมต่างๆนี่เป็นเรื่องความงมงายที่เรียกว่าศีลรับพะระตาปมามาดทำแล้วไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเข้าใจไหอไม่สบายก็ไปทําบุญถวายผ้าบาังสกุลแล้วคิดว่าจะหายเลยไม่ทําบุญแล้วไม่ไปหาไม่สบายไม่ไปหาหมอมันจะหายเลยนอกจากว่ามันเป็นเองแล้วมันหายเองได้มันก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ไม่ต้องบังสกุลก็ได้ แต่บางสกุลไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือการทำให้ร่างกายไม่ตายไม่เกี่ยวกันเรื่องบางสกุลก็เป็นเรื่องของทานเรื่องการจาคะศีสละแบ่งปันตัดความหวงตัดความห่ว ง, ววงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเงนันบางทีมันมันจับแพะมาชนแกะกันเนี่ยพิธีกรรมต่างๆนี้ ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับของความทุกข์เนี่ยหลวงพ่อเจ้าคะเคยได้ยินว่าการดูดวงหมู่ดูหมอดูแต่ถ้าวันนี้เราปฏิบัติแล้วเราก็เหนื่อตัวกนะับดูอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ดูดวงเราอยู่ทุกวันแล้ว ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้แหละของแท้ของจริงกับไม่ยอมดูกันกับอยากจะไปดูเรื่องที่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดกันหมอดูก็หมอเดาทั้งนั้นแหละตัวหมอหมอดูเองก็ไม่รู้อนาคตของตัวเองดูก็ไม่ยอมมองอนาคตที่แท้จริงไม่ยอมมองกันเข้าไปมองอนาคตที่คิดตุงแต่งกันขึ้นมาเอง พระเจ้าเนี่ยสอนให้เราดูดวงของเราทุกวันเนี่ยให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้แหละคือดวงของพวกเราทุกคนมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างแล้วตรงเป๊ะไหมถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกร้อยเปอร์เซ็นตเลยแต่ถ้าไปหมอดูหมอก็ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ยอมพูดความจริงถ้าพูดความจริงก็กลัวจะไม่มีใครมาหา อาจารย์ครับพิธีกรรมนอกจากางมงายแล้วมีพิธีกรรมไหนที่เป็นกุศโลบายบ้างไหมครับในการปฏิบัติหรือกระทาความดีกอพิธีกรรมทางสงฆ์ที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นเวลาบวชนี่ก็ต้องมีพิธีกรรมเป็นอันนี้มันมีเหตุมีผลการที่พระจะรับเข้าคนจากกาลาวานมาเป็นพระได้ก็ต้องมีการารับ มีความเห็นชอบของพระที่ของพระเก่าที่อยู่ก่อนการบวชนี่ก็เพื่อประชุมสงแล้วก็ถามสงฆ์ว่าชายคนนี้อยากจะมาบวชเขามีคนสมบัติครบถ้วนแล้วท่านมีใครที่มีคัดค้างก็ขอให้พูดมาแสดงมาถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครคัดค้ก็ถือว่ายอมที่จะรับให้เขาเข้ามาบวชเป็นพระได้พิธีกรรแบบนี้มันเป็น มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยแต่ถ้าพิธีกรรมแบบอะไรก็ไม่รู้บวงสวงเทวดองเทวดาอะไรก็ต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องของความงมงายเรื่องของความเชื่อถ้ามันไม่ทําก็ได้ใช่มใช่ก็ดูฝรั่งเขาไม่ทําพวกนี้หรือเปล่าเขาเจริญกับเราเขาส่งจรวดเขาต้องนิมนต์พระไปเจิมที่หัวจรวดก่อนหรือเปล่า คนไทยนี่พอซื้อเครื่องบินมาแต่ละลำนี้ต้องนิมนต์พระไปเจอมกันเท่านั้นเจอมแล้วมันตกก็ป่าเวลามันจะตกมันก็ตกอะ่ะจะเติมไม่เจอ ม, มันไม่ได้อยู่ที่เจอไม่เจอ ม, มันอยู่ที่คนขับอยู่ที่ช่างคอยคอยซ่อมบํารุงรักษาเครื่องว่ามันเอทําถูกตามกฎตามระเบียบหรือเปล่าอใชอ่ใช้เหตุใช้ผลทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่ผลอยู่ที่การกระทำํำ แต่เราชอบไปคิดถึงในเรื่องที่มันไม่มีแล้วก็ถูกการสอนกันเชื่อกั น, กนมาอืเวลาออกรถก็ไปวุ่นวายกับพระไ ป, ไปขอให้พระเจิมให้ชอบต้องอะไรเหมือนรูปเ น, นี้ยทำเหมือนรงแรงนี้ยทีนี้เขาบอกให้นิมนต์ไอ่ไอ่ทำไอ้โยงส่วนอะไรก็ได้ลูกก็ฟังครูบาอาจารย์ท่าน่นี้ลูกไม่ทําที่ยากพี่น้องก็เมอนกับพูดว่าทำไมไม่ทำเนี้ย เขเทียนก็ทําให้จิตเราหลั่งเล่เห์ใช่ไใช่เพราะเรา<ร><ร>ยังไม่เป็นโสดาบันถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ลูกก็ไม่เอาแต่ว่า<ม>แต่ว่ามันเหมือนกับพ่อแม่อย่างนี้ท่านเคยเห็นเขาทำอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลยลูกก็เห็นภูบาอาจารย์ท่านก็เทศมาแล้วก็ยึดในพระพุทธศาสนาของพระพุท ธ, ธเจ้าก็เลยไม่ทําแต่ว่ายังว่าเหมือนอาจารย์บอกแหละเรายังไม่ได้ ได้เห็นธรรมปลูกความลังเลนิดนึงเป็นเมตังของข้อเพื่อพ่ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอสบายใจย้ใช่ปะปฏิบัติไปเด้ด้วยแล้วจะมีความมั่นใจอว่าทุกอย่างนี้มันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปทําเป็นธรรมดาดัางนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดการดับเกิดการสูญเสียก็อย่าไปโทษว่าเพราะว่าไม่ได้บวงสรวงเพราะว่าไม่ได้เจิมเลยเพราะว่ามันถึงเวลาที่มันจะเกิดอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด บ่งสูงไม่บวงสูงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดใช่ไหมสิ่งที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตัวเราไม่เกิดจากการกระทําของเราเป็นหลัก อ, อ, อดีต ท, ทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบนันถ้าเราทําประมาทนียขับรถกินเหล้ามาเราไปขับรถดูเลยมันก็ชนพลิกคว่มได้อันนี้ก็เป็นการกระทามันไม่ได้อยู่ที่ว่ารถได้เจอมาหรือไม่ได้เจอมา อย่างอหงลวงพ่อคุณเขาคินเป็นเหมือนกับเป็นเป็นคําตลกมีคนเอารถใหม่ออกมาไปหาหลวงพ่อคุณให้ช่วยเติมเจิมให้หลวงพ่อคุณว่าธรรมดามึงขับเท่าไหร่ผมแค่ขับแค่ร้อยสี่สิบหลวงพ่อคุณบอกครูเขากระโดดลงไปตั้งแต่ร้อยหนึ่งแล้วเข้าใจับเร็วเกินไปประมาทมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ากลับไปสี่สิบห้าสิบนี่มันจะไปชนกับใครหรือเปล่า ใช่ไหมคนเราไม่ดูเหตุดูผลกันชอบไปเจิมแล้วก็เหยียบมันร้อยหกสิบเลยร้อยคันนี้มีพาดดังเจิมให้แล้วทีนี้เอาะเหินเดินอากาศได้อย่างสบายไม่ได้หรอกเข้าใจนะปฏิบัติไปเถิดแล้วจะเข้าใจพิจารณาความไม่เที่ยงอยู่ บ, บ่อย ทุกอย่างจะไม่เจะถึงเวลามันจะดับมันดับทั้งนั้นอ่ะมีใครไม่ดับมีใครไม่ตายบ้างใช่ไหมมีอะไรที่ไม่สูญไม่เสื่อมไหมไม่มีหรอก<ช>เป็นแดเ่เสื่อมช้าเสื่อมเร็วนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของเราการกระทํา ข, ของคนอื่นขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันก็เกิดขึ้นได้ เราก็พิจารณส่วนมากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราเอาสิ่งที่ความถูกต้องในเ่อมาพิจารณใช่เอาเหตุเอาผลไงเอาเหตุเอาผลเป็นหลักอ่านมาเนาะพรอยังลาลูกปฏิบัติในงานรายจ่ายมีความรู้สึกเบื่อน่ากนอ่าแล้วก็เวลานุ่จ ฟังที่ฟังอะไรเพราะที่ทางพระพอยน้นามันมาากอะก็อาจจะเป็นกิเลสของเราก็ได้กิเลสมันต่อต้านส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ผลที่ดูดดื่มใจแล้วก็ต้องฝืนทําต่อไปทําให้มันได้ผลถ้ามันได้ผลแล้วมันจะเกิดความดูดดื่มดูดดื่มใจอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปแต่เบื้องต้นนี่มันจะขึ้นอยู่กับ ศรัท ธ, ธาบางวันศรัท ธ, ธาแรงก็ขยันทําบางวันศรัท ธ, ธาอ่อนก็ไม่อยากจะทบบําจิตใจเรายังโลเลอยู่ง่ายๆไม่อยากเจอผู้คนอ๋อก็ดีแต่ถ้าไม่อยากเจอผู้คนทีนี้ลกูกจะปฏิบัติแค่ว่าแบบจะคอยดูสิว่วาเรื่องจิตของตัวเองใช่ไหอถ้าอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรนลนคล้ายว่าความคิดมันคิดไปตลอดใช่ไหะพอเรามีสติรู้ตู้เราจะมันหยุดมันหยุดท้่ักาตกวนเนี้ยค่ะ เราจะตัดป็นไปเลยนีคะถูกถ้าตัดได้ก็ถือว่าถูกแ้วกวันนี้แบบมันจะนิ่งเฉยใชนิ่งเฉยก็ถูกองค่ะนิ่งเฉยแล้วที่มันเหมือนไม่มีอะไรเลยกเลยแบบเดลกกเลยคิดว่าแบบเอ๊ะมันทาถูกทางไหมเพราะว่าอะไรมันเหมือว่ามันไม่อยากรับเลย่ไหมคอก็อย่าอย่าไปไม่อยากต้องเฉยเฉยรับรู้ได้แต่ไม่ไปทุกข์กับเขา แต่อย่าไปปฏิเสธก็ว่าไม่อยากเห็นไม่อยากมองอันนี้นี่ก็เป็นกิเลสถ้าเราต้องเห็นต้องรับรู้ก็รับรู้ไปแต่ใจของเราอย่าไปเกิดความอยากไม่รับรู้อย่างนี้ก็ผิดถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ยินดีถ้าอยู่คนเดียวได้ก็ยินดีดีนี่นแหละการปฏิบัติที่แท้จริงก็ต้องอยู่คนเดียว พรว่าจิตลุกเมื่อก่อนนี้ลู ก, ลกปฏิบัติไปเห็นใช่ไหมะจิตมันมันรู้แต่ว่าเราจะปรุงแต่งไปเรื่แต่ตอนนี้ลูกปุ๊ก ล, ลูกจักรยานลูกปรงเสร็จหลับไปเลยอ่า น, นั้นถูกแล้วพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่าให้มันมีความคิดปรุงแต่งเลยอ่แล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้นานๆนั่งตากตาให้จิตเข้าไปลึกๆเลยให้มันสงบแบบร่างกายหายไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่หาย ต่ก็ไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิพยายามเข้าไปในจุดนั้นให้มากๆบ่อยๆและเวลาออกมาจิตมันจะเฉยกับเรื่องราวต่างๆถ้ามันจะไม่เฉยก็ต้องใช้ปัญญาสอนมันว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆมันเป็นทุกข์อย่าไปอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เราอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่าพยายามรักษาใจให้สงบอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เดินเดินทางไปจนจุดนีุ้ดถูกแล้วลนะ่ะถูกแล้วยังจะต้องเจริญปัญญาเพื่อหยุดความอยากของเราต่อไปออเอาหนังสือไปอ่านเนาะซีดีไปฟังดูแล้วจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะปฏิบัติไปทางไหนก็มาเข่าวหน้าก็มา มาเล่าให้ฟังอ่อขอขาอมันต้องปฏิบัติไปแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันไปสลับกันไปเพราะมันจะมีปัญหาให้เราต้องสงสัยอยู่เรื่อยเพราะเราไม่เคยไปทางนี้มาก่อนอืมมือนก็จะใช้เวลาเลยเหมือนก็ว่าเราฟางังเลยเมือนว่ามันว่ามัรู้แล้วรู้แล้วมันจะทําให้เราไม่อยากฟังก็ได้ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรารู้แล้วก็ไม่ไม่ต้องสนใจ พูดก็จะยังเหมือนว่าเท็จยังไม่ไปต่อกับบัณฑิตมันจะรู้แล้วไม่นรู้แล้วก็ผ่านไปอผ่านไปเป็นเพราะว่าเรารู้แล้วไงเมื่อรู้แล้วก็ไม่อยากจะรู้เถื่อเถื่อไม่ถ้าเราผ่านมาแล้วเช่นเราพิจารณาร่างกายเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วทีเราก็ไม่อยากจะฟังเรื่องร่างกายแล้วเพราะว่าเรามันไม่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันแล้ว แต่เราอะอยากจะรู้เรื่องจิตก็ได้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติกับจิตของเราต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็อยากจะรู้แล้วอยากจะฟังนะเหมือนกัการพิจารณาถ้าเราผ่านร่างกายไปได้แล้วเราก็จะไม่พิจารณามันแนละ้วถ้าเราผ่านเรื่องราบยศสารเสริญได้เราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วไม่ไปสนใจเพราะมันไม่เป็นปัญหาแนละ้ or, วฉนั้นอะไรที่มันไม่เป็นปัญหากับเราเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจ สาใจให้เราว่างๆอยู่เฉยๆก็พอแล้วอ่ว า, น, าออนั่นแหละดีที่สุดอะว่างๆเฉยๆสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาก็เลยเลยคิว่าอ้ำของเราไม่มนเข้าง่ายไหมหรือว่ามันเฉื่อยหรือถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นของแท้หรือไม่ก็ลองลองลองไปหาเหตุการณ์ที่มาก็สร้างความกระเทือนใจดู ออย่าเฉยได้หรือเปล่าอ่าหาให้คนเขาด่าเราดูบ้างอ่าแล้วเกิดการสูญเสียสิ่งที่เราลักไปถ้ามันไม่สูญเสียก็ลองสละไปสิเราลักกระเป๋าไว้นี้ก็เอาไปบริจาคเลยออดูซิว่ามันจะเฉยหรือไม่เฉยเข้าใจไหมอ่านอนทดสอบเลยอ่าเนี่ยมันหลอกเรานะ ใช่ใช่เราต้องเราต้องหาข้อสอบมาทำทำไปเถอะอันไหนที่เราคิดว่าเรายัางคิดว่าเราปล่อยแล้วเราต้องสอบตัวเราเองก็ปล่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> ยกให้คนอื่นก็ไปได้ไหมของอันนี้ถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาเราไม่หวงแล้วเราเก็บไว้ทำไมให้คนอื่นไปเลยเนะอ่นะ องสมนอาจารย์รสึอยากไปเลยเมื่อกี้บมานี่นั่งรถมานี่แบบอตาอได้ฟังคล้วสว่ามันมันสบายเยี่ยเกเป็นมงคลอย่างยิ่งไง อันนี้ส่งของการฟังธรรมก็คือจะทําให้จิตใจผ่องใสางกาจัดความสงสัยได้มีความเห็นที่ถูกต้องเ <Yeah. S 1> น, นี่ยนีแหละคืออั น, นิี้ส่ของการฟังเทศฟังธรรมที่ท่านหญิงบอกเป็นมงคลดังนั้นฟังบ่อยๆเนี่ยเอาหนะังสือไปอ่านเอาไปฟังแล้วก็ปฏิบัติ <Yeah. S 1> ตรงไหนที่เรายังทําไม่ได้ก็ลองทําให้ได้อเ <Yeah. S 1> ช่นความเจ็บของร่างกายนี้ลองปล่อยวางมันได้หรือเปล่า ลองนั่งให้มันเจ็บดูแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไปนั่งต่อไประยจนกระทั่งใจเราเฉยๆกับมันไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บจนกว่าใจเราจะเห็นว่าความเจ็บที่แท้จริงเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเลยสร้างความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บของร่างกายพอเราดับความทุกข์ของใจได้เราจะเห็นว่าความเจ็บของร่างกายนี้มันจิ๊บจอยมันนิดเดียว ไอ้ที่ตัวที่รุนแรนก็คือความเจ็บทางใจที่เกิดจากความอยากเกิดก็จะเกิดจากความกลัวความเจ็บของร่างกาย<ม>พอเรารู้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่ไม่อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอยู่กับมันได้ใช่<ม>ก็ลองดูเวลาปวดหัวอย่งลองอย่าไปกินยาแก้ปวดดูออมันปวดที่ร่างกายใจเราไม่ปวดเราไปกินทำไม ปล่อยให้มันปวดไปเดี๋ยวมันก็หาเองออเดี๋ยวลองทําดูทดสอบใจเราดูว่าใจเราปล่อยวางความปวดได้หรือเปล่าไอ้ที่เวลาลูปไปหยเปเลีอาจ<ม>ารย์คะจิตนเงียบเป็นสงบนี้มันรูกจะไม่คิดอะไรมันไม่มีอะไรที่จะให้คิดมันไปยึดติดในความสุขหรือเปล่าให้จิตลูกตอนนั้นมันก็ติดในสมาธิไงบางทีเราต้องดึองออกมาพิจารณา ต้องบังคับมันเช่นพิจารณาร่างกายไปว่าร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอก็ดึงมามันก็หายก็ดึงมาใหม่ดึงมาใหม่นอกจากว่าเราไม่ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ไม่ต้องดึงมัน ก, ก็ลูกนี้ก็คันมันนะคะว่ามันต้องปริมของมันเวลาเจ็บนี่ ก, ก็รู้ของมันรูกก็ต้องนั่งให้มันเจ็บด้วยไม่ใช่รู้เฉยๆต้องนั่งเฉยๆให้มันเจ็บแล้วจนกว่ามันจะหายไปเองอ อทำอยู่ขั้นต่อไปก็ต้องถ้าถ้าผ่านความเจ็บความตาได้ก็ต้องไปหาอสุภะต่อต้องพิจารณาการอารมณ์ว่าเรายังมีการอารมณ์หรือเปล่าเรายังมีความรักกับบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่หรือเปล่ายังอยากจะร่วมเพศกับเขาอยู่หรือเปล่ามีอารมณ์เหล่านี้อยู่หรือเปล่าะอ่นนะาอพิจารณาอ่าไม่มีก็ผ่านไปน ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจว่าผ่านไม่ผ่านก็ต้องทดสอบดูต้องพิจารณาดูความสวยงามดูว่าดูแล้วจะเกิดการมานลมหรือเปล่าเ<ม>พราะบง ท, ทีมันมันหลบซ่อนได้ใจใจลูกสาที่ลูกก็อยู่กับพ่อบ้านอยู่ห้ า, าปีแล้วเราก็ไม่มีเรื่อาางอะไะก็ดีถ้าไม่มี ก็ไม่ถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาก <c oughs> ็มีเรื่องอย่างที่คุณบอกอเรื่องจิตของคนไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเขาเอออันนั้นคนก็ต้องแก้ให้ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปอาจจะสั่งได้บางบ้างบางเวลา ส, สิ่งที่เขาทําไม่ถูกของเขาคือกรรมของเขานั่นแหละเป็น เป็นเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องกรรมก็ได้เรื่องของอะไรของเขาก็แล้วแต่แต่ลูก็สอนเ่าดีแต่เราเขาทาของเขาแต่นั้นก็เป็นก็ช่วยไม่ได้สอนไม่ใช่เนผิดใ่ไหมผิตรงไหนละ่ะก็เราทําสอนสรริส่งที่ดีสรริ่งที่ถูกให้เขาก็ไม่ยอมทําเอง<ส>อย่างคนทีเขาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์หลายคนถ้าแมบางคนไปถึงพระนิพพานบางคนไปไม่ถึงพระเจ้าบอกคุณก็เป็นคนที่เคยเป็นคนบอกทางให้คนใช่ไหม เวลาคนเขามาถามทางของคุณวนะ่าไปทางนู้นไปอย่างไรไปที่นั่นไปอย่างไรคุณก็บอกเขาไปใช่ไหมคุณบอกแล้วเ็าจะไปถึงไม่ถึงมันเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่า<ช>เป็นความผิดของคุณหรือเปล่าอ<ช>่าได้นะม<ช>เขาไม่ไปเองแลวเขาฟังผิดไปถึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายทาเัยเดีเลี้ยวขวา<ช>อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ถ้าเราพูดความจริงพูดในสิ่งที่ถูกว่าเราจะไปผิดตรงไหน เราเดินแทนเขาไม่ได้มันเข้ามามาอยู่กับเราอย่างนี้มาร่วมร่วมถูกกับเราอย่างเนี้ยแล้วเราทําให้เขาไม่ได้ดังแบบทางถูกทางโลกทางธรรมอย่างนี้เราก็หมือนว่าตรวก็เราผิดเองใพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ไ ม, ไม่ทําให้พวกเราทุกคนไปนิพพานได้หมดอคนที่จะไปได้ก็อยู่ที่ความาความสามารถของแต่ละคนประเด็นเรื่ออยู่ที่บุญกรรมของเขาเนี่ย ้ใก็ไม่ผิดอะไรเข้าใจแล้วนะไปได้แล้วนะไปแล้วก็ไปไปโอกาสหน้ามาใหม่ดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับมีคำถามก็ส่งคำถามมาทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับจะมาถามให้